เรื่องภิกษุเป็นไข้222สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเป็นไข้ภิกษุอีกรูปหนึ่งนำบิณฑบาตไปถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับภิกษุรูปที่เป็นไข้นั้นดังนี้ว่านิมนต์ท่านฉันเถิดขอรับภิกษุเป็นไข้ตอบว่าไม่ละขอรับกับผมมีพัะทหารที่หวังว่าจะได้ทายกนำบิณฑบาตมาถวายภิกษุเป็นไข้รูปนั้นในเวลาสายภิกษุเป็นไข่รูปนั้น ฉันไม่ได้ตามที่คิดไว้ภิกษุทั้งหลายได้นําเรื่องนี้ไปกล่าบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงอนุญาตให้ฉันปรำพ ร, ระโภชนาได้ในสมัยที่เป็นไข้ลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุเป็นไข้ฉันปรำพ ร, ระโภชนาได้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้